ให้ศรัทธาของเราเนี like <this> ่ยโคจรคือเอาศรัทธาเป็นเครื่องชําระจิตโดยให้จิตนิโคจรไปในคุณของพระพุทธเจ้านะท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในคุณของพระธรรมท่องเที่ยวไปในคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายการที่จิตท่องเที่ยวไปในคุณของพระัตนะตรัยศรัทธาก็ยิ่งมีกําลังยิ่งขึ้นศรัทธาที่มีกําลังยิ่งขึ้นก็ฟอกจิตนีนะ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 ศีล น, นี่ชื่อว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไปเป็นฐานเป็นบาดแห่งกุศลชั้นสูงดันั้นการสมาทานศีลการยึดถือเอาศีลให้กายวาจาใจเป็นไปกับศีลซึ่งศีลเหล่านี้จะได้กล่าวในสูตรต่อๆไปถึงผลอ น, นิสงค์ของศีล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 สมาทานข้อปฏิบัติเพื่อทําให้เป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันทั้งหลายเขาคบรบสัตบรุษคือมีใจเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในพระตัตนะตรยัอยอย่างสมัยนี้เนี่ยท่านถามว่าคบรบสัตบรุษนี้เป็นอย่างไรก็คือให้ใจของเราทั้งหลายเป็นไปกับพระรัตนะตรัยเมื่อใดที่ใจเป็นไปกับพระัตนะตรายรรรอย่างนั้นแหละเรียกว่าคบ ร, รบสัตบุรุษนี่ก็ไม่ลืมว่าพระตัตนะตรัยท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไร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 ตาเห็นสีแต่เห็นพระพุทธคุณอยู่ด้วยหูได้ยินเสียงได้ยินคําสอนอยู่ด้วยเป็นต้น้นนถ้าหากว่าจิตของผู้ใดโครจรไปขนาดนี้ได้กุศลธรรมเจริญงอกงามระดับนี้ได้ mm. ก็มาเชื่อว่าไม่นานสักเท่าไหร่เขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ข้อแม้ว่าอย่าเลิกซะก่อนอนะแต่ถ้าเลิกก่อนก็ย้งว่านะหุงข้าวเกลือสุกแล้วไฟดับนี่ก็ไม่ต้องแล้วนะกินข้าวดิบไปก่อนเถอะ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 ต่อพระธรรมในคำพีอุทานต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะในหน้าแปดสิบเอ็ดนะผ่านไปแล้วสามสูตรสามสูตรนี้จริงๆก็ชื่อว่าโพธิสูตรเนี่ยนะโพธิแปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมสูตรเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามสูตรที่หนึ่งเรียกว่าปฐมสูตรที่สองเรียกว่าทุติยะสูตรที่สามก็ตติยะ ให้มาขึ้นสูตรที่สี่อาชาปาละนิโครดสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้อาชาปาละนิโครดใกล้ฝั่งแม่น้าเนรัญชาก็เป็นต้นไม้ที่คนเลี้ยงแพชอบไปพักนะเนีเพราะว่าเป็นต้นไซที่นิโครดนี่แปลว่าต้นไซ น, นะนะเป็นต้นไซที่ร่มเงา นะที่พวกแพะกลางวันแดดร้อนๆก็ไปพักที่นั่นคนเลี้ยงแพะก็พักอยู่ที่นั่นใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชารน่นะที่ตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขด้วยบลังอันเดียวตลอดเจวันช่วงแรกตรัสรู้เนี่ยนะวันเนี่ยจสัปดาห์เนี่ยนะโดยมากพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการเสวยวิมุตติสุขสลับกับการพิจารณาธรรม แต่ในต้นที่โคนต้นไทรเนี่ยนะโคนต้นไทรที่คนเลี้ยงแพะไปพักเนี่ยพระองค์สเสวยวิมุตติสุขครั้งนั้นแลพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธิคือเสด็จออกจากอรหัตผลสมาธินี่นะก็โดยมากพระองค์เียจะเข้าพระสมาบัติในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้ว ใจของพระองค์เนี่ยโอนไปในสิ่งเดียวเท่านั้นนะคือพระนิพพานโอนไปที่จะเข้าพระสมาบัติโดยส่วนเดียวแต่เพราะเจริญกรุณาสลับสลับขั้นสลับในระหว่างจึงทําให้พระองค์เนี่ยโปรดเวนัยสัตว์และก็สั่งสอนธรรมแต่ถ้าอัธยาศัยอ น, นะอัธยาศัยจริงๆก็คือเน อ, อตัวจิตใจของพระองค์จริงๆเนี่ยน้อมไปในพระนิพพานโดยส่วนเดียวนะ ไม่อะไรเยื่อายในสังขารแม้แต่นิดเดียวแต่กรุณากรุณานี่กระตุ้นเตือนให้พระองค์นี้สงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยศัตร์ทั้งหลายมันแม้ทั้งในแรกตรัสรู้ก็เหมือนกันเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์เนี่ยเน้นไปด้วยการเข้าพละสมาบัติถ้าถ้ามองภาพโดยรวมที่พระองค์ท่องเที่ยวไปในวั ต, ตะเนี่ยนะปกติแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เหนื่อยหน่ายในวั ต, ตะเต็มทีเนี่ยนะ เบื่อหน่ายเต็มทีแล้วก็เห็นโทษในวัตตะเต็มทีเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจแทงตลอดพระนิพพานพระองค์จึงเสด็จไปที่ใดก็เพื่อเข้าพระสมาบัติยิ่งแรกตรัสรู้ด้วยนี้ถือเอาการเข้าพระสมบัติเป็นพุทธกิจที่สําคัญอันนะก็คือการเสวยวิมุตติสุขแต่การเสมอวิมุตติสุขของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ไม่ใช่ทําแบบคนมัวเมาลหลงไหลอะไรไม่ใช่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 ในตัวเองตลอดเวลาด้วยอํานาจแห่งฌานโดยเฉพาะโลกุตระฌานที่เข้าพะละสมาบัตินั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่บริสุทธิ์ใจอย่างเต็มที่ที่จะสงเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายนิย้อนมาที่คนต้นอาชาปาระนิโครธเนี่ยนะต้นไทรที่คนเลี้ยงแพะไปพักเนี่ยนะซีที่พระองค์ไปประทับนั่งอยู่เนี่ยผมมาก็ยังนึกว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะท่านบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพเนี่ยนะ ไม่รู้ว่าตรงไหนแต่เจงก็คงโค่นหายตาจากไปหมดแล้วนะเพราะตั้งสองพันกว่าปีแล้วครั้งนั้นแหลพราหมณ์คนหนึ่งผู้มักตาวาดผู้อื่นว่าเหอะเหอเนี่ยนะไอเหอะอตัวนี้มาห ง, ห ง, หงกะเนี่ยนะแล้วว่าเป็นคนชอบอะไรนะได้ยินใครก็ต้องออกเสียงที่เป็นลักษณะเยยดยามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนกลุ่มนั้นนะเห็นหน้าใครก็แปลงเสียงเยดยมขึ้นมาทันทีเลย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 เป็นพรามเนี่ยเหตุอะไรทำให้เป็นพรามและธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพรามนี่เป็นไนะอยากรู้ว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพรามนี่เป็นอย่างไรของเขานี่เป็นพวกวันนะพรามนะพรามของเขาคือวันนะก็ไม่ได้ถามถามธรรมะแบบภาถอหารอะไรหรอกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพรามใด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 มันวันนะพรามก็ถือว่าเป็นวันนะที่สูงมากนะในความรู้สึกของเขานในความรู้สึกของเขาก็ถือว่าเขานี่วันนะสูงมากก็เลยไปถามถึงธรรมะที่เป็นพรามแบบลทัทธิของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบพรามโดยประมัดพรามที่หมายถึงผู้ลอยบากร ะ, ะ, ะบาปลอยบาปหมดเกลี้ยงแล้วมาดูข้อความในอัตถกถาเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหา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 ธรรมะสามสูตรตามที่เราเรียนมาแล้วทีนี้ระหว่างที่พระองค์พิจารณาธรรมอยู่เนี่ยนะจนอรุณขึ้นเนี่ยพวกเทวดาก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จออกธรรมะอันกระทามความเป็นพระพุทธเจ้าแม้อย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือหนออนะ่นะเรียกว่าตรัสรูนะ้พอประทับนั่งบรรลุได้ตั้งเจ็วันแล้วอ่นะ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 ทรงทราบความสงสัยของพวกเทวดาจึงเหาะขึ้นไปสู่บนอากาศเพื่อกาจัดความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นแล้วแสดงยมกัปปาติหารนะแสดงยมกัปปาติหารก็คือพระองค์เ น, เนรมิตรรัตนจงกรมขึ้นบนอากาศก่อนแล้วก็เดินจงกรมนะนะแล้วก็เนรมิตรพระพุทธรูปขึ้นมาอีกชเช่นเนรมิตรพระพุทธเนรมิตรขึ้นมาในระหว่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็ แสดงยมกะยมกะนี่โดยสับแล้วว่าคู่ปาติหาริที่แสดงเป็นคู่คู่เช่นท่อขวาตาขวาเนี่ยสายน้ําออกท่อตาซ้ายสายไฟจะพุ่งออกอนะด้วยอํานาจของกสิณแล้วสรีระของพระองค์เนี่ยจะมีพระศมีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่อไฟกับสายน้ําเนี่ยจะพุ่งมาเป็นสีหกสีนะแล้วก็หูขวาท่อไฟหูซ้ายก็จะเป็นน้ําถ้าหู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 ก็ไปกราบไปไหว้ไปและลืกถึงโดยเฉพาะถ้าใครไปและลึกถึงบารมีทั้งสิบของพระองค์อุปปรมีสิบปรามัทธารมีสิ บ, ปปสบไปและลึกถึงอาณาปานสติไปและลึกถึงปุเพนิวาสานุสติญาณไปและลืกถึงจุตูปปาตทยานและลึกถึงอาสวัคคายานไปและลืกถึงอาสาธารณายานเป็นต้น นะและลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายที่ ท, ที่มี แ, แด่พระองค์เนี่ยนะนสถานที่นั้นที่โคนต้นโพเนี่ยนะจะได้บุญไม่ใช่น้อยนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจงกรมที่รัตนจงกรมอันยาวไปดายาวไปทางด้านปุรัติมทิตและปัชิมัทิตระหว่างบัลลังก์กับที่ประทับยืนทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาห์ สถานที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาระหว่างที่ยืนดูต้นโพกับโคนโพเนี่ยนะตรงนั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีรัตนจงกรมเจดีตอนนี้เขาก็มีไอ้จำลองเป็นดอกบัวเห็นไหมดอกบัวเป็นเหมือนกับแท่นวางกระถางทูปะนะตรงนั้ น, นเขาเนรมิตเป็นรัตนจงกรมเนี่ยนะรัตนจงกรมมีอยู่ประมาณสัก10กว่าอันเนี่ยนะสิกว่าอันเป็นเป็นก้อนหินเนี่ยนะเป็นก้อนหินวางวา ง, วางเรียงไว้ ทิ้งต่างสมมุติว่านี่คือเป็นที่เดินจงกรมของพระผู้มีพระภาคทางด้านปัชิมทิศจากสถานที่นั้นนะนะก็คือด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะเทวดาก็เนรมิตเรือนแก้วทรงประทับนั่งสมาธิในเรือนแก้วนั้นทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิดกอันเป็นสมันตะปฐานอนันตนายโดยพิเศษอภิธรรมนี้เขาแบ่งออกเป็นสามกลมด้วยกัน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 สงสายต่ออายุกันหลายชาตินะนอายุสักห้าหมื่นปีเนี่ยนะอาจจะจบรอบหนึ่งนะผมก็พิจารณาอภิธรรมปีดกอันเป็นสมันตะปัฏฐานปัฏฐานที่ตั้งเอาไว้โดยรอบเนี่ยนะตั้งเอาไว้โดยรอบอนันตน์ในคือในยะอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาห์ณนะสถานที่นั้นจึงเชื่อว่ารัตนคระเจดีรัตนาก็คือแก้ว คาะแปลว่าเรือนเนี่ยนะเจดี JD ที่เป็นเรือนแก้วที่พระองค์เนี่ยประทับนั่งพิจารณาพระพิธรรมนนะนนนรนรเนี่ยนะเพราะในที่รัตนคารเจดีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเน้นพระปัญญาเป็นพิเศษเพราะพระปัญญานี่ทําให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดพระพระอภิธรรมทั้งหลายอภิธรรมก็คือทำอันยิ่งทำที่พิเศษนะทำอันยิ่งทำอันพิเศษ สรุปว่าพระองค์นี้ยับยั้งอยู่สี่สัปดาห์ที่ใกล้โคนต้นโพเนี่ยนะใกล้ต้นโพเนี่ยอยู่สี่สัปดาห์ด้วยอาการอย่างนี้หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้น่ยนะพระองค์ไม่เคยมาต้นโพอีกเลยเท่าที่ขอมาจำได้นะไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้ากลับมาณนะที่นั้นนั้นพระองค์จึงอยู่ณนะที่นั้นตั้งสี่สัปดาห์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเลย ในสัปดาห์ที่หพระองค์ก็เสด็จออกจากโพพฤกเข้าไปยังต้นอาชปาระนิโครธทรงประทับนั่งสมาธินะควงต้นอาชปาลนิโครธก็คือต้นไทรที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เนะี่ยทีนี้พราหมณ์ที่เข้าพราหมณ์ที่เข้ามาหาเนี่ยชื่อว่าโหงกะชาติโกได้ยินว่าพราหมณ์นั้นเป็นที่ถมังคลิกกะถือว่าการเห็นนี่เป็นมงคลถือว่าการเห็นเป็นมงคล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 ลักษณะแบบนี้นะพวกกลุ่มทิฏฐมังคลิกะเนี่ยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกนี้จะไม่ยอมเห็นคนวรนละต่ำทําใจไม่ได้จริงๆเห็นคนวรนละต่ำบางพวกถึงกับเหตุถ้าเห็นคนวรนละต่ำนี่ถึงเอาน้ําล้างตาเลยเนะถือว่าโอ้โหเลวร้ายมากเห็นเห็นเดรชาญยังไม่หนักเท่าไหร่นะถ้าเห็นคนวันละต่ำๆ่ ำ, ำนี่ยังต้องเอาน้ําล้างตายังมีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนจันทัน กลับนี้เนะี่ยยังเกิดเป็นจันทานเลยพอพระองค์เนี่ยมาเกิดเป็นจัตเป็นถือกําเนิดเป็นจันทานเนี่ยก็ต้องเที่ยวศิลป์ถือเล่นศิละปะแบบคนจันทานเพื่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆหนึง่งในเมืองนั้นมีลูกของพราหมณ์ชื่อว่านางธิฐะมังคลิกะนางธิตะมังคลิกะปะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดในวรรณะสูงพันสิ่งที่เขาเห็นจะต้องเห็นคนชั้นสูงอย่างเดียวถ้าหากว่าเห็นคนชั้นต่ำต้องเอาน้ําล้างตา นี่พระโพธิสัตว์นี่กำลังแสดงเรียกว่าศิละปะของคนจันทารอยู่นางทิ t h มังคลิกะเนี่ยไปเห็นว่านั่นการแสดงของใครแต่บอกว่านั่นการแสดงของจันทาร์เหมือนกันเถอะแค่นั้นแหละก็บอกว่าเอาน้ําหอมมาเอาน้ําที่ผสมน้ําหอมมาล้างตาก็บอกวันนี้เลิกเที่ยวแล้วที่จริงก็จะไปเที่ยวนะพอไปเห็นคนจันทารเข้าบอกกลับอย่างเดียวก็เลิกเที่ยวแล้วพวก ที่จริงไงตอนไปเที่ยวนี่หอบอาหารหอบเครื่องดื่มหอบสุราเต็มเยอะยะไปหมดเลยพอไปเห็นคนจันทานก็เลยกลับไอ้พวกลูกน้องเนี่ยก็เลยโมโหใหญ่เลยไปทุบคนคนจันทานเนี่ยทุบพระโพธิสัตว์เกือบตายทุบจนสลบแล้วไปทิ้งไว้ที่กองขยะเนี่ยนะเขบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละแหมตัวตัวเลวร้ายนะที่ที่ทําให้อดดื่มอดเที่ยวอดสนุกน่ยนะก็เลยทุบพระโพธิสัตว์จนสลบเลยฟื้นขึ้นมางงเงี้ยงงเงยียเรื่องไปยังไงมายังไงนะ เลยทบทวนที่มาของชาดกชื่อว่ามาตังคชาดกแต่ชาตินั้นท่านตอนหลังท่านก็บําเพ็ญได้อภิญญาหสมาบัตแปดเป็นชาติที่ที่ถูกประหารถูกเขาตัดคอเองเหมือนกันมันผู้ที่ถือทิฏฐะมังคเลกถือว่าการเห็นนี่เป็นมงคลพวกนี้ไม่ถือมงคล38นะถือเอาการเห็นสิ่งที่ดีๆว่าเป็นมงคลถ้าเห็นสีสวยๆวยเห็น โคเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นมงคลถ้าไปเห็นสุนัขเข้าก็อัปมงคลเป็นต้นเนี่ยแล้วแต่จะถือขึ้นมานะมันพราหมณ์แต่พราหมณ์คนนี้ก็เหมือนกัน น, นะครเพราะตัวเองเนี่ยมานะเพราะถือว่าตัวเองชาติตระกูลสูงก็นิสัยเป็นคนขี้โกรธมองคนอื่นเลวร้ายไปหมดพราหมณ์คนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า น, นะทีนี้เขามีคําถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้า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 เหมือนหมอผู้มีอนุภาพมากอันมหาชนผู้มีกายกระสับกระส่ายถูกโรคและทุกมีประการต่างๆเบียดเบียนจึงเข้าไปหาเพื่อเยียวยารักษาโรคนั่ น, นผู้ที่ถูกโรคคือราคะโทสะโมหะถูกโรคคือความสงสัยเบียดเบียนบีบคันก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะบำบัดโรคภัยเหล่านี้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 คำถามที่พราหมณ์ก็ถามถามว่าไงนะทวนอีกครั้งหนึ่งพระโคโดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไหรนะ้อแลธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์นี่เป็นไนะพราหมณ์ตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าหมายพิเศษคือพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะในอัตถกาย่อหน้ากลางหน้าแปดสิบเจ็ดที่บอกว่าบทว่าเอตมัถังวิธิตวาความว่า พระองค์ทรงรู้แจ้งความนี้อันเป็นจุดยอดแห่งปัญหาที่พราหมณ์นั้นทูลถามจึงส่งเปล่งอุทานในเวลานั้น